แล้ที่ใจอยู่กับลมหายใจได้อย่างต่อเนื่องความสงบมันก็เกิดขึ้นได้แต่การที่ใจเราสงบลงบแล้วมีความสงบสบายแล้วมันก็เชื่อว่าเรามีความสุขในภายในเกิดขึ้นซึ่งเราก็จะสังเกตได้ว่ามันก็จะคนละแบบ กับความสุขที่เราได้จากตาหูจมูกลิ้นกายคนละแบบกันอันนี้มมนเป็นความสุขที่ได้จากการสงบพระงับจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความคิดนึกปรุงแต่งแต่มันก็ใช้คำว่าความสุขนั่นแหละเห็นว่ามันถ้าจัดเป็น c ค t e g o r y แล้วก็คนละแบบ อีกอันหนึ่งความสุขจาด ก, การอีกอันหนึ่งความสุขที่ออกจากการเวลาที่เราได้สัมผัสอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้เปรียบเทียบได้เห็นแหละว่าแต่ละชนิดมันเป็นยังไงแต่กันที่เรามีวิธีหาความสุข ที่ต้องพึ่งพิงจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างเดียวมันก็ยังถือว่าเป็นคนที่อัตคัดอยู่แต่การที่เราได้มาฝึกสติแบบนี้ทำความสงบให้เกิดขึ้นในภายในได้เราก็ได้ขึ้นชื่อว่ามีวิธีที่เราจะหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นรูปแบบที่เราไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นความสุขที่มันเกิดขึ้นจากภายในไม่ต้องไปพึ่งภายนอกพึ่งตัวเราเองพอเราพึ่งตัวเองแล้วเนี่ยมันก็เป็น เป็นอันที่เราจะหามันได้บ่อยขึ้นว่าเราอยู่กับตัวของเราเนี่ยเลยเราไม่ได้อยู่กับใครเราอยู่กับใครเราก็อยู่ได้แค่เป็นเวลาบางจังหวะากานที่เราเอาความสุขของเราไปฝากไว้จากภายนอกอย่างเดียวว่าเราต้องหาจากคนนั้นหาจากสิ่งนี้ ความสุขของเราก็จะเป็นความสุขที่มันไม่มั่นคงไม่ถาวรไม่ยังง่ยงยืนซึ่งถ้าหาได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่มันจะไม่ได้หาได้แบบตามใจได้ดังใจทุกครั้งแต่การที่เราย้อนกลับมาทำความสงบให้เกิดขึ้นไม่ได้ไปพึ่งสิ่งต่างๆในภายนอก เพื่อนเคล่ลมหายใจของเราซึ่งมันเป็นของม่อยู่อยู่แล้วเนี่ยยังไงซะมันก็ต้องเอาลมเข้าไปแล้วก็เอาลมออกมาแล้วความสงบมันก็เป็นคนละรสชาติกันอันนี้มันก็เป็นความสุขที่จะเปรียบเป็นเหมือนน้าก็เป็นน้าเปล่า แต่ไม่ใช่เป็นน้ำสีสีมันนั้นอัดลมซซ่ า, าเย็นอย่างี้ก็เป็นน้ำแบบเปล่าน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องอุณหภูมิปกตินี่แหละอาจจะไม่ได้รู้สึกทำให้ดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยเย็นแบบสะใจแต่แน่นอนว่าความเป็นประโยชน์เนี่ยมันก็ดีกว่า น้ำเย็นแบบสะใจอยู่แล้วไม่ต้องไปคิดถึงตอนที่เขาเจื้อใส่น้ำตาลใส่สารปรุงแต่งกลิ่นนู่นนี่นั่นเข้าไปซึ่งมันก็ทำให้ระยะยาวแล้วเนี่ยมันก็มีโทษมากกว่ามีประโยชน์นะความสุขในภายในที่เราได้จากการสงบระงับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ย มันก็มันก็น้ำเปล่านี่แหละอาจจะไม่ได้จิตจ้าแต่มันก็มีประโยชน์ยั่งยืนแบบยาวๆซึ่งถ้าเราเข้าใจมันในแบบที่มันเป็นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นถึงว่านี่จริงมันมีประโยชน์ด้วยและมันก็สวยงามในแบบที่มันเป็นมีความละเอียดประณีตที่ความสุขใน ในการที่เราหาจากภายนอกเนี่ยมันทำแบบนี้ไม่ได้เป็นความสุขที่เราอยากจะหาอีกได้อีกเราก็หาได้อย่างง่ายกว่าวิธีการหาความสุขแบบภายนอกซึ่งในภายนอกเนี่ยมันก็ควบคุมลำบากบางครั้งเราตั้งใจเพื่อที่จะหาความสุขแต่สิ่งที่ได้ อาจจะกลับมาเป็นความหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจก็ได้ถ้าสิ่งที่มันเป็นผลตกค้างก็คื อ, อเป็นผลตกค้างที่มันไม่ค่อยดีแหละมีต้นทางอาจจะมีความความสวยงามมีความดีถ้าเป็นเหมือนก็นอาจจะหวานต้นขมปลายแต่สุดท้ายปลายไม่ดีแน่นอน มันก็จะมีสารพิษตกค้างในใจิตใจของเราที่ว่าคืออะไรที่ว่าคือเวลาที่เราได้แบบนั้นแล้วเนี่ยมันความสุขจากตาหัวจมูกลิ้นกายเนี่ยได้แล้วมันก็อยากได้อีกพออยากได้อีกก็อยากให้มันได้โดสที่มันเพิ่มขึ้นดีกด้แบบเก่าเราก็รู้สึกเฉยเฉยรู้สึกที่จะจืดจางเบื่อไปหมด แต่ความสุขในภายในมันไม่ใช่อย่างนั้นได้กี่ครั้งได้โดสเท่าเดิมมันก็ยังมีสร้างความประทับใจให้ได้อยู่ทุกครั้งเหมือนเราไปเจอร้านอาหารนี่แหละว่าร้านนี้ดีมากเลยไปกินมันทุกวันเช้ากลางวันเย็นกินนานๆหลายๆวันมันก็เบือ่อ แต่การที่เรามาทําความสงบใจอย่างนี้ไม่ว่าทําความสงบใจได้กี่ครั้งกี่ครั้งเวลาที่มันได้ความสงบใจแล้วเนี่ยความประทับใจมันก็มีทุกครั้งนั่นแหละมันก็ให้มันเป็นสิ่งที่จะไม่เห็นว่าถึงมันจะน้อยมันก็สร้างความประทับใจได้คงที่คงตัว ยิ่งมันมากขึ้นความประทับใจมันก็ยิ่งมากขึ้นตามเข้าไปแต่การที่เราจะหาความสุขจากการที่เราสงบระงับจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสปัจจัยง่ายๆที่เราจะเป็นปัจจัยหนุ น, นะปัจจัยหนุน ง, ง่ายๆก็คือการที่เรา กุกรีด้วยหมูน้อยลงมันก็เป็นตัวช่วยใช่ไหมหรือการที่เรามีสีนที่มันบริบูรณ์มันก็เป็นตัวช่วยสาคัญเพราะการที่เรามีสีนที่ศินก็แค่สินห้านี่แหละการที่เรามีศินห้าที่มันไม่บริบูรณ์เนี่ยมันก็แน่นอนผลของการที่เรามีสีนที่ไม่บริบูรณ์มันก็มีเรื่องเดือดร้อนในภายนอกที่มัน คอยตามมาเป็นขยะทับถมในใจของเราไม่ต้องยกตัวอย่างก็ได้เราก็น่าจะเข้าใจกันดีอยู่วาการที่เรามีสินที่มันดีเรื่องภายนอกมันก็วุว่นวายน้อยแต่ถ้าเกิดศีนห้าเนี่ยมันบวกร่องไปกี่ข้อกี่ข้อแล้วเรื่องวุ่นวายมันก็เยอะเรื่องตามมา มันได้ทำให้เราอยากจะหาความสงบทางใจแต่ใจมันก็ยังคอยกังวลอยู่กับทุระนั่นนี่โน่นกับปัญหาที่ยังต้องแก้ไขในภายนอกเนี่ยมันจจะย้อนกลับมาอยู่ที่ลมหายใจได้อย่างง่ายๆยเสด็จสบาย ส, าสบายสะดวกสบายนยมันจะเป็นเรื่องย า, ากเช่นการที่เรามีพื้นฐานชีวิตมีธรรมนูญของชีวิตเป็นกรอบทางเดิน ในการที่เราจะประพฤติปฏิบัติตัวมันก็จึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่มันจะเป็นปัจจัยเอื้อให้เราสร้างความสุขในภายในได้ดีขึ้นซึ่งกันที่เรามีศีลเป็นกรอบเป็นทางเดินของชีวิตมันก็เป็นตัวช่วยสําคัญในการที่เราจะทําความสงบใจให้มันเกิดขึ้นได้อย่างดีเกิดขึ้นได้ง่ายเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล เรื่องข้างนอกที่มันวุ่นวายน้อยใจเราก็มีขยะน้อยมีขยะน้อยก็สลัดออกจากกองขยะนั้นมาอยู่ที่ลมหายใจได้ง่ายเพระฉะนั้นไม่ใช่แค่ว่าเรามีแต่จะทำมุ่งหน้าทำความสงบอย่างเดียว ไม่ใช่องค์ประกอบลหลายๆอย่างที่มันคอยสนับสนุนเกื้อกูลกันเราก็ต้องค่อยๆประกอบกันประกอบร่างกันที่มันเกื้อหนุนกันคือแน่นอนการที่เรามีสติกอยที่เราคอยเห็นใจอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานที่จะทำให้เรามีสีที่มันดีขึ้นด้วยบริบูรณ์ขึ้นได้เพราะอะไรเพราะการที่เรามีสติ ทีเราคอยเห็นใจเราอยู่เรื่อยว่าใจเราเป็นใจที่โหดร้ายไหมเป็นใจที่มันหิวโหยไหมเป็นใจที่มันมึนดําขุ่นมัวไหมอย่างนี้พอเรามีสติเห็นเท่าทันอย่างนั้นเนี่ยเราก็ย้อนมันกลับมาไว้ที่ลมหายใจแต่ถ้าเราไม่เท่าทันมันก็พาให้เราไปคิดไปพูดไปทําในแบบที่ศีลของเราก็จะบกพร่องไปได้ง่าย แต่การที่เราคอยพยายามรักษาให้ใจของเราเนี่ยไม่เป็นใจที่มันโหดร้ายไม่เป็นใจที่ร้อนรนไม่เป็นใจที่หวิวโหยรักษาอยู่อย่างนี้ที่สติลมอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันก็เป็นการที่เราจะเข้าใจกระบวนการของมันเนี่ยว่าการที่เราปล่อยใจไปตามความชอบ ชอบที่จะทำแล้วมันก็มีผลเป็นอย่างหนึ่งซึ่งอันจดีก็ได้ไม่ดีก็ได้แต่การที่เราเข้าใจแล้วได้ได้ยินได้ฟังคำสอนแล้วว่าอะไรเป็นกุศลว่าอะไรเป็นอกุศลว่าอะไรเป็นทางมาแห่งความเจริญขึ้นแห่งจิตใจอะไรเป็นทางเสื่อมของจิตใจ อะไรบ้างที่มันมีคุณในเบื้องต้นแต่มีโทษในท่ามกลางและที่สุดอะไรบ้างที่มันดีทั้งในเบื้องต้นท่ากลางและที่สุดเราก็จะขโมดมันน่แหละเอามาใช้คอยกำกับแนวทางความคิดแนวทางการประพฤติปฏิบัติตัวเราแล้วสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือ เราก็พยายามจะรักษาให้ใจเราเป็นใจที่มีคุณภาพดีนี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้ไอคุณธรรมที่เราเรียกว่าหิริกับโอตะปะมันก็จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้จากการที่เรามีจิตใจที่คอยจดจอ่อมีสติที่คอยจดจอรักษาใจเราอยู่รักษาใจที่จดจ่อ ว่าเราอยากคิดเราอยากพูดเราอยากทำอะไรแล้วมันเทียบเคียงกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่ามันเป็นเหตุดีหรือว่าเป็นเหตุแห่งความเสื่อมประดูว่ามันสิ่งที่เราจะคิดสิ่งที่เราจะพูดสิ่งที่เราจะทามันเป็นไปเพื่อความเสื่อมมันเป็นไปเพื่อทางที่เป็นอกุศล ความละอายมันก็จะเกิดขึ้นความเกรงกลัวต่อบาปกรร ม, มก็จะเกิดขึ้นการรักษาศีลนี่มันอาจจะมีหลายข้อหลายอย่างหลายแบบแต่จริงๆแล้วพื้นฐานมันก็อยู่ตรงที่ว่าก็ไม่ได้รักษาอะไรมากรักษาให้หิริและโอตตะปะมันจเจริญขึ้นในใจของเราพอเรามีความละอายที่เราจะทำชั่วมีความเกรงกลัว ต่อผลของบาปที่เราจะทําไปอันนั้นแน่นอนเราก็จะิีงมันก็จะได้รับการดูแลรักษาอางอัตโนมัติในขณะที่เราจะมีหิริและอดตับปะความละอายต่อความชั่วความเกรงกลัวต่อผลของบาปเนี่ยที่มันจะมีกำลังได้มันก็มาจากสติเรานี่แหละ ที่เรารู้เท่าทางใจของเราหรือเปล่าว่าเราคิดพูดทำอะไรมีความรู้สึกอะไรอยู่ในใจไปทางเสื่อมหรือทางเจริญไปทางที่มันจะทำให้ศีลเราจเจริญขึ้นไหมหรือว่าเป็นทางที่จะทำให้ศีลของเราเนี่ยมันดักร้อยไปพูดมาทั้งสามคาบแล้วก็ย้อนกลับมาตรงที่สติมันเดิม เพราะนั้ารที่เรามาฝึกสติมันจึงเป็นเรื่องที่สิ่งจําเป็นขั้นพื้นฐานของการที่เราจะมีความสุขที่มันเพิ่มขึ้นมีความทุกข์ที่ลดลงพื้นฐานก็อยู่ตรงนี้ตรงที่มีสติคอยเห็นใจเราเห็นใจเห็นความคิดเวลาที่เรามีสติอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยเราหมั่นที่จะเห็น เห็นว่ากายอันนี้มันเป็นอันหนึ่งจากเราไหมเห็นความคิดอันหนึ่งที่มันกำลังดนเฝ้าดูเฝ้ารู้อยู่ไหมเห็นอารมณ์ในใจที่เราคอยเฝ้าสังเกตมันอยู่ไหมแล้วอะไรคือเราเราก็คือตัวสติที่คอยเราที่เราจะสังเกตสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละ สังเกากายมันก็ไม่ใช่เราจริงๆหรอกมันก็เป็นเหมือนหุ่นยนต์นั่นแหละที่เราบังคับอยู่แต่แต่เราเห็นอย่างนี้อยู่ได้บ่อยขนาดไหนถ้าเรามีสติคอยเห็นกายที่มันเป็นสิ่งหนึ่งจากใจของเราจากสติของเราเห็นกายที่เป็นส่วนหนึ่งเห็นความคิดที่มันเป็นส่วนหนึ่งบางครั้งเราเผลอ เราก็เข้าไปในโลกของความคิดของเราเวลาที่เรามีสติที่เราฝึกมันฝึกดีแล้วเนี่ยมันคอยมากระตุ้นคอยมากระชาบเราออกจากโลกของความคิดกลับมาอยู่ณนะปัจจุบันณนะตอนนี้ที่ลงหายใจเห็นว่ามันคิดกับคิดไปร่างกายมันทำงานกับทำงานไปอารมณ์ในใจตอนนี้เราเป็นยังไงเราก็รู้ แต่ไม่ให้อารมณ์ในใจมันมีผลมีผลกับพฤติกรรมความคิดของเราผู้อย่างนี้ก็อาจจะฟังแล้วดูงงหมายความว่าเวลาที่บางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทําให้ใจของเราเนี่ยมันมีอารมณ์ที่ดีได้อยู่ตลอดเวลาบางครั้งมันก็ต้องมีเบื่อเศร้าเหงาเซงบ้างแหละหงุดหงิดบ้าง แต่การที่เรามีสติแล้วคอยกํากับไม่ให้อารมณ์อันนั้นเนี่ยมันมาครอบงําความเป็นเราอันนี้เป็นสิ่งสําคัญสติตัวนี้จึงเป็นเบรกเป็นเขื่อนเป็นทำนบที่มันจะคอยกั้นไม่ให้อารมณ์ที่มีอยู่ในใจนะตอนนั้นเนี่ยมามีอิทธิพลต่อจิตใจอิทธิพลต่อความคิดอิทธิพลต่อการการกระทําคําพูดของเรา สติคนนี้แหละมันจะเป็นตัวที่คอยคอยมันกรรมาการคอยห้ามออกพอพยายามที่ไม่ให้มันมีอำนาจมาครอบงำจิตใจของเราแล้วเนี่ยเราก็คิดพูดทำในแบบที่ควรจะเป็นได้ถึงแม้อาจจะไม่ชอบใจเพราะตอนนั้นเราอาจจะโกรธอยู่แต่สิ่งที่เราต้องพูด เราก็ไม่พูดไปด้วยอานาจของความโกรธในขณะที่เรามีสติคอยคอยํำกับอยู่คนพูดอะไรก็พูดไปคนพูดไปเพื่อที่จะชี้แจงเหตุผลก็พูดไปแต่ไม่ไม่เลือกคาพูดที่ออกมาจากความผลักดันของความโกรธนี่ไม่เอาแต่กระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้น ได้ก็บนพื้นฐานของการที่เรามีสติที่มันแข็งแรงมีหิริมีอดตัปะที่มันแข็งแรงมีกำลังใจที่เราจะฝืนไม่ให้ใจของเราเนี่ยอยู่ภายใต้ความครอบงาของอารมณ์อันนี้ยกตัวอย่างในอารมณ์ฝ่ายไม่ดีคือความโกรธมันก็เขียนง่ายหน่อยซึ่งไม่ใช่เฉพาะอารมณ์โกรธอย่างเดียวอารมณ์ฝ่ายไม่ดีอย่างเดียวแม้อารมณ์ฝ่ายดีเราก็ ก็ทําเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะมีชีวิตยืนอยู่บนความถูกต้องมากกว่าความถูกใจและไม่ถูกใจแต่แน่นอนมันอาจจะไม่ไม่ร้อยเเซ็เหมือนแบบขาวกับดําหรอกแต่มันก็จะมีสัสดส่วนให้มันดีขึ้นเพื่ออะไรถ้ามันสัด ส, ส่วนที่มันดีขึ้นเนี่ยแน่นอนผลนี้มันก็ส่งไปที่จิตใจเราเลยว่าจิตใจเราก็จะได้รับการดูแล ได้รับการบำรุงจากความสงบได้รับการป้องกันจากอารมณ์ที่มันจะมาผู้หยีงผู้ยามจิตใจเราป้องกันความหลงความยึดติดจากอารมณ์ที่มันน่ายินดีพอใจสติเลยสติพูดไปก็มีแค่สติแล้วก็สติแล้วก็สติ ไม่้ฝึกให้มันแข็งแรงฝึกให้สติธรรมดาธรรดาเป็นสติที่มันเป็นไปเพื่อความหน่ายความหนายไม่ใช่เบื่อหน่ายนะคือเพราะเราไม่เห็นสาระไม่เห็นแก่นสารมันเราจึงหน่ายมันเป็นไปเพื่อความคลายกังวลเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่อนิพพาน ก็ต้องพยายามฝึกสติของเราให้มันเป็นสติที่เป็นสมาสติอย่างนี้เกิดขึ้นให้ได้บ่อยๆเกิดให้ได้อย่างต่อนเนื่องเกิดให้ได้มากที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ไม่ใช่เฉพาะในระหว่างการที่มานั่งสมาธิอย่างเดียวหรือไม่ใช่ระหว่างที่เราไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมไม่ใช่แต่ต้องให้มันเกิดในระหว่างวันนในชีวิตประจาวันของเราเนี่ย ถ้าเราทำได้ดีเฉพาะในเวลาที่เราพักร้อนหรือมีเวลาลางงานไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมมันก็ดีแต่มันก็ดีเฉพาะช่วงเวลาหยุดพูดง่ายเราก็จะเป็นแค่สิงสนามซ้อมเฉยแต่การที่เราอยู่บในชีวิตจริงในชีวิตแบบนี้เนี่ย เราก็อยากที่จะมีความสุขแล้วก็อยากที่จะมีความทุกข์ที่มันลดลงซึ่งมันไม่ใช่เฉพาะช่วงเวลาที่เราไปเข้าคอสปัติปธรรมใช่ไหมเราก็อยากที่จะมีความสุขในทุกๆขณะของเราแล้วก็เวลาที่มันมีความทุกข์ให้ความทุกข์มันลดลงไปได้ในทุกๆขณะที่มันเป็นถ้าเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาให้สติ มันเกิดขึ้นได้ในทุกๆโอกาสทุกๆขนาดทุกๆจังหวะของชีวิตของเราพอพูดอย่างนี้ปุ๊บก็อาจจะรู้สึกว่าทำยากเพราะเราก็มีการงานมีธุระหน้าที่หลายอย่างแต่ก็เป็นอย่างที่บอกไปว่าถ้าเราฟัง แล้วก็เราก็ดูดูโทรทัศน์ไปด้วยกินข้าวไปด้วยคุยกับเพื่อนได้อย่างนี้นะแล้วรู้เรื่องเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาสติที่เราเคยฝึกอย่างนี้เนี่ยเอาไปแทรกเข้าในระหว่างวันในกิจวัตรประจําวันของเราได้แน่อนอนโลกของเรามันก็จะเป็นโลกที่จำชัดขึ้น ทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโลกของเรามันมีแค่โลกของภายนอกเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายแค่นั้นเราคอยบริหารจัดการมันแค่นั้นแต่ว่าเรามีเกียรติใจที่เราจะมาฝึกหักปฏิบัติธรรมะอย่างนี้แล้วเนี่ยโลกในภายในโล ก, กิเกี่ยวกับจิตใจมันก็ สว่างขึ้นชัดเจนขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าโลกสองใบอันนี้มันต่างคนต่างเดินต่างคนต่างไปมันเป็นโลกของเรานี่เลยซึ่งมันควรจะต้องไปคู่กันกับเราเพราะเราก็ประกอบไปด้วยทั้งร่างกายอันหนึ่งจิตใจอันหนึ่งจึงจะประกอบขึ้นชื่อว่าเป็นคนเป็นสัต เพราะฉ้เราก็จะเห็นโลกอีกใบหนึ่งที่เราละเลยไปแค่นั้นเองได้จ็บชัดขึ้นคือโลกแห่งจิตใจทีนี้เราก็แค่พยายามมาเพิ่มค่าประสบการณ์ในการที่เราจะดำเนินโลกในภายในของเราให้มันมีประสิทธิภาพดีขึ้นหลังจากที่เราละเลยมันไปนาน เราก็พยายามแน่นอนความชํานาญมันก็ต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าโดยปกติเราก็มุ่งเน้นแต่การบริหารจัดการโลกภายนอกอย่างเดียวทีนี้ประสบการณ์ในการที่เราจะมาบริาบรหารโลกแห่งจิตใจอันนี้เราก็ก็เหมือนกับเด็กๆนั่นแหละที่เราต้องมาเหมือนกับหัดคลานหัดยืนหัดเดินหัดวิง่งแล้วก็ไปเรียนหนังสือ โตมาหน่อยเรียนชั้นประถมมัธยมมหาลัยแล้วก็มาทำงานมันก็ต้องคอยฝูมฝักมันไปอย่างนั้นเลยมันอาจจะถ้าเราเปรียบเป็นหลอดพลังเนี่ยแน่นอนค่าหลอดพลังในในใ น, ในหลอดของโลกภายในเนี่ยมันก็นิดหน่อยแอเรามองไปถึงเอ้ค่าพลังงานของโลกภายนอกมันก็สูงปรี๊ดเลย ก็ต่างกันเยอะเราก็พยายามจะกวดให้โลกในภายในของเราเนี่ยพลังมันขึ้นไปทัดเทียมกับโลกภายนอกเพราะฉะนั้นพอเรามีจิตใจที่มันจดจ่ออยู่ไอหลอดพลังอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็มุดงิดได้เป็นธรรมดาเพราะอะไรเพราะเรามีความหวังหวังว่ามันจะให้เต็มเร็วๆให้มันเท่ากันเร็วๆ แต่เราไม่ได้มีหน้าที่หวังให้มันเต็มเร็วหรือหวังให้มันเท่ากันแต่หน้าที่ของเราคือพยายามเพิ่มเพิ่มหลอดค้าพลังเนี่ยให้มันเพิ่มไปเรื่อยๆไม่ให้มันลดเพิ่มไปเรื่ อ, อยๆส่วนมันจะเพิ่มไม่เท่าไหร่ก็เท่าเท่าศักยภาพที่เรามีเท่าที่เราทําเท่าที่เราเป็นพอเราทําแล้วเราก็ต้องคอยหมั่นนะว่าเราจะทําอะไรให้มันดีได้ขึ้นอีกไปอีกกว่านี้ พัฒนามันไปอีกตรงไหนที่เรายังไม่ได้นามันไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเราก็ไปยังแทกมันลงไปอย่างช่วงเวลาก่อนนอนหรือหลังตื่นนอนเนี่ยมันก็เป็นเวลาที่อาจจะง่ายมากที่สุดในระหว่างวันที่เราจะให้ความสําคัญกับโลกของจิตใจของเรา ซึ่งในระหว่างวันเนี่ยในช่วงเวลาทำงานและยิ่งเวลาที่เราจะต้องพบปะผู้คนมันก็เป็นเวลาที่อาจจะยากแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะเฝ้าดูจิตใจเราไม่ได้เราก็ทำได้แค่สร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาอันหนึ่งที่เราจะคอยรักษาใจคอยเห็นใจในระหว่างที่เราจะทำงานไปด้วย ก็เหมือนย่งที่บอกเนี่ยถ้าเราคอยอทำงานได้หลายๆอย่างพร้อมๆกันไม่ว่าจะฟังด้วยกินด้วยบุณทีก็คุยกับเพื่อนไปอีกทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันเราก็รู้ทำได้อย่างดีมีประสิทธิภาพแล้วก็ตัดออกสักอันสองอันเนี่ยเอามวยคอยสังเกตโลกของใจคอยสังเกตใจมีสติ ค, คอยกำกับใจ อยู่ที่ลมหายใจของเราทีนี้มันจะเป็นอะไรที่ไม่มีหลักสูตรตายตัวมันก็ขึ้นอยู่กับว่าความกลมกล่อมของใครชีวิตใครชีวิตมันกิจกรรมของคนแต่ละคนมันก็แต่ละวันไม่เหมือนกันเรารู้จังหวะของเราดีกว่าเพื่อนเพราะฉะนั้นเราก็ รู้ว่าช่วงไหนเราอาจจะทําได้ยากช่วงไหนเราทําได้ง่ายเราก็ค่อยทําจากง่ายๆหน่อแหละไปช่วงง่ายๆไปก่อนทําให้มันเป็นนิสยัยทาให้มันเป็นความเคยชินเป็นความคุ้นชินใจเราก็จะได้มีนิสัยใหม่ขึ้นมาในระหว่างวันชั่วโมงนี้เวลานี้เราเราทำได้ตลอดทําจน ผ่านไปนานเข้านานเข้าเนี่ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเรากาลังฝึกอะไรมันก็เป็นอัตโนมัตินั่นเลยของเราอันก็ต้องมีความเพียรมีความพยายามในการฝึกในการหัดทำให้มันได้เรื่อยๆทำให้มันได้บ่อยๆไม่ต้องไปดูว่ามัน แพ้กี่ครั้งชนะกี่ครั้งเรามีหน้าที่ทำมันไปเรื่อยๆทำไปอย่างไม่หยุดไม่ถอย